สมเด็จพระพุทธาจารย์รับนิมนต์มาเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดป่ามะม่วงตามที่ท่านเจ้าคุณโชดกอาราธนาไว้มีพระภิกษุจากคณะห้าวัดมหาธาตุเดินทางมาด้วยอีกรูปหนึ่งคือมหาหนูผู้ซึ่งเคยเป็นอาจารย์สอบอารมณ์ให้พระเจริญการเดินทางค่อนข้างลาบากเพราะต้องนั่งมาในเรือแดงทั้งคืน กล่าวคือออกจากท่าเตียนเวลาบ่ายสามโมงถึงสิงบุรีตีห้าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงไปรอรับที่ท่าเรือโดยนายหล่อทำหน้าที่บริการรับส่งมีอุบาสกซึ่งเป็นสิทธิกรรมฐานของพระเจริญร่วมเดินทางมาด้วยห้าคนดังนั้นเมื่อขึ้นจากท่าเรือที่จังหวัดสิงบุรีแล้วภิกษุสามรูปจากบางกอก จึงต้องนั่งเรือย้อนเส้นทางเดิมไปยังวัดบ่ามะม่วงเพราะเรือโดยสารขนาดใหญ่เช่นเรือเขียวหรือเรือแดงจะรับส่งผู้โดยสารเป็นบางจุดเท่านั้นเสร็จจากพิธีเปิดสำนักสมเด็จพระพุทธจารย์และเจ้าคุณโชดก ได้มอบภาพถ่ายของท่านแก่พระเจริญไว้เป็นที่ระลึกและเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็ได้นำภาพถ่ายนั้นไปแขวนไว้ที่ฝาผนังบนศาลาฉันพัฒหารเพลนแล้ววิปัสนาจารย์ทั้งสามรูปได้ให้โอกาสญาติโยมถามปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติและในฐานะที่สมเด็จพระพุทธจาจย์ท่านเป็นผู้ปกครองสังฆมณฑลจึงมีพระภิกษุ ทั้งในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียงเดินทาง ม, มานมัสการท่านสมเด็จจึงถือโอกาสฝากฝังพระพุทธศาสนาไว้กับภิกษุอุบาสกและอุบาสิกาผู้ซึ่งเป็นพุทธบริษัทในครั้งพุทธกาลพุทธบริษัทมีสีได้แก่ภิกษุ ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่หลังพุทธกาล ร, ราวห0 0ปีสถาบันภิกษุณีได้ขาดตอนไปและตามหลักพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ทำให้ไม่สามารถนำสถาบันภิกษุณีกลับคืนมาได้เพราะการบรรพชาอุปสมบทสตรีนั้นจะต้องทำในสงฆ์สองฝ่ายคือทั้งฝ่ายภิกษุสงฆ์และฝ่ายภิกษุณีสงฆ์ ครั้นภิกษุณีสง์มาขาดช่วงไปการบรรพชาอุปสมบทสตรีจึงกระทำไม่ได้ภิกษุณีที่มีชื่อเสียงในช่วงหลังพุทธกาลคือพระภิกษุณีสังฆมิตรตาพระราชธิดาของพระเจ้าอาโศกมหาราชแห่งอินเดียผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรก ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่ส่งยกย่องพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นศาสนาประจําชาติส่วนพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงเป็นพุทธมามากะคือพระเจ้าพิมพิสารพระราชาผู้ครองแคว้นมคตและทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่พระพุทธองค์เสด็จไปแสดงธรรมโปรดนักกรุงราชคฤห หลังจากที่ได้โปรดชดินสามพี่น้องและบริวารอีกหนึ่งันคนที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแล้วพระธรรมเทศนาที่ทรงประทานแก่ชดินสามพี่น้องและบริวารมีชื่อว่าอาทิตตะปริยายสูตรเหตุเพราะทรงทราบว่าชดินเหล่านี้นับถือและบูชาไฟมาก่อน สมเด็จพระพุทธาจาย์ได้ย้ำแก่บรรดาพระภิกษุสงฆ์เกี่ยวกับการปฏิบัติสมณากิจและที่สำคัญคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นอุปชาต้องผ่านการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเสียก่อนหาไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่ได้รับการแต่งตั้ง แม้อายุพรรษาถึงก็ตามทั้งนี้เพราะท่านต้องการให้พระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนสมกับคำว่าพระซึ่งแปลว่าผู้ประเสริฐวิปัสสนาจารย์สรูปจากคณะหวัดมหาธาตุได้พำนักจำวัดณวัดป่ามะม่วงหนึ่งราตรีวันรุ่งขึ้นจึงเดินทางกลับ โดยเรือเขียวด้วยไม่ต้องการจะนั่งอยู่ในเรือทั้งคืนเหมือนตอนขามาเรือเขียวออกจากสิงบุรีเวลาตีห้าและจะถึงบางกอกเวลา6กโมงเย็นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงได้ตามระสง่งวิปัสนาจารย์ของท่านจนถึงคณะห้าวัดมห า, าธาตุและเดินทางกลับโดยเรือเขียวซึ่งออกจากท่าเตียนเวลาสามทุ่นายหล่อ อาสามารอรับไปส่งยังวัดป่ามะม่วงเมื่อเรือมาถึงสิงห์บุรีซึ่งตามกำหนดจะถึงเวลาสิบโมงเชา้านับตั้งแต่ได้มีพิธีเปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานอย่างเป็นทางการแล้ววัดป่ามะม่วงก็มีญาติโยมมาปฏิบัติมากขึ้นและมีพระเนน มาจาพรรษาที่วัดอีกประมาณ20บรูปสามเณรเฉลียวก็ได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุเป็นเวลาหนึ่งพรรษาครั้นออกพรรษาแล้วพระเนนที่มาบวชก็พากันลาสิกขาเพื่อไปประกอบอาชีพทําไร่ไถนาบ้างไปเป็นลูกจ้างเข้าบ้างและบางคนก็เสี่ยงโชคไปหางานทาที่บางกอกเพราะไม่ชอบทนานาเช่นนายเฉลียวเป็นต้น คงเหลือสา ม, มเณรบุญช่วยกับสา ม, มเณรจ่อยสองรูปและพระบุญอีกหนึ่งรูปวัดป่ามะม่วงจึงมีพระภิกษุสี่รูปสา ม, มเณรสองรูปในช่วงออกพรรษาของปีนั้นสา ม, มเณรจ่อยเป็นหลานชายสมพานคือเป็นบุตรของพี่สาวคนโตท่านดังนั้น จึงมารับหน้าที่แทนพระเฉลียวซึ่งลาศิกขาไปปีต่อมาได้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั่วประเทศจังหวัดสิงห์บุรีท่วมมากที่สุดเพราะเป็นที่ลุ่มเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้ล่วงหน้าก่อนแล้วจึงขอแรงญาติโยมมาช่วยกันทำเขื่อนกั้นน้ำรอบวัดทั้งสี่ทิศโดยเฉพาะทางทิศตะวันตกอันเป็นด้านหน้าของวัดนั้นต้องกั้นสูงเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้ไหลทะลักเข้ามาด้วยเหตุนี้วัดป่ามะม่วงจึงกลายเป็นเกาะกลางน้ำที่พวกกระต่ายป่าพากันหนีอุทกภัยมาอาศัยอยู่เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเห็นความตื่นตระหนกของพวกมันที่ใายออกมาทางแววตาก็ให้รู้สึกสมเพชเวทนานักจึงสั่งพระเนนให้ช่วยกันดูแลอย่าให้ชาวบ้านแถบนั้น มาขโมยเอาไปแกงกินวันหนึ่งสมภารมีธุระต้องไปบางกอกเพื่อพาพระบุญไปฝากเรียนบาลีและวิปัสสนากรรมฐานที่วัดมห า, าธาตุสมณเ็ น, เนจอยได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ติดตามและหากสามารถเข้าเรียนบาลีได้ก็จะฝากไว้ที่นั่นด้วย ท่านใช้เวลาอยู่ที่บางกอกสามวันเพื่อจัดการธุระวันที่สจึงเดินทางกลับพร้อมเนรหลานชายผู้ซึ่งไม่ยอมเรียนทั้งไม่ประสงค์จะอยู่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่คณะห้าโดยอ้างว่าจะมาให้หลวงนาสอนให้ที่วัดป่ามะม่วงพระเจริญจึงต้องยอมให้กลับด้วยเพราะรู้ว่าหลานชายไม่มีนิสัยปัจจัยมาทางนี้ ถึงจะกลับไปอยู่วัดป่ามะม่วงก็ไม่ยอมเรียนและท่านก็จะไม่ฝืนใจหรือบังคับเขาเรื่องอย่างนี้ใครมีบุญก็จะสนใจใฝ่รู้เองคนขาดบุญวาสนาต่อให้เอาช้างมาฉุดก็หายยอมไม่ขึ้นชื่อว่ากรรมใครทำใครได้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดี หรือกรรมชั่วก็ตามดังพุทธวจนะว่ายาที่สังวาปเตะผีชังตาที่สังละพาเตพลังกัญยาณการีกัลยาณังป่าปาการีจะป่าปกังบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่ว เอพระเจริญกลับถึงวัดป่ามะม่วงก็รู้สึกแปลกใจที่ไม่เห็นกระต่ายป่าวิ่งเล่นหรือมาให้เห็นแม้แต่ตัวเดียวนึกสังหอนใจว่าจะต้องเกิดเหตุร้ายกับพวกมันจึงสั่งเนนหลานชายว่าไปตามเนนบุญช่วยมาพบข้าหน่อยสิทำไมเหลอครับหลวงนะ้านะ่าจะพักผ่อนให้หายเหนือ่อยซะก่อนมีธุระอะไรค่อยว่ากันภายหลัง ผมยังไม่หายเมาเรือเลยนะครับเนี่ยหลานชายบ่นกระปอดกระแปดนี่เองหรือข้ากันแน่ที่เป็นสมพานข้าสั่งเองแต่เองกลับมาสอนข้าทั้งสั่งทั้งสอนมันจะไม่มากไปหน่อยหรือหลวงนาชักไม่พอใจผมทราบดีครับว่าหลวงนาเป็นสมพานส่วนผมนั้นเป็นลูกวัดแล้วก็ไม่เคยคิดจะเป็นสมพานด้วย ผมไม่อยากลำบากตรากตรำถึงหน้าน้ำท่วมก็ต้องมาคอยดูแลไม่ให้ลูกวัดเดือดร้อนครั้นหน้าแลง้งก็ต้องไปตักน้ำมาใส่ตุ่มไว้ให้ลูกวัดดื่มลำบากยากเข็นอย่างเงี้ยจ้างผมสักพันช่างก็ไม่เป็นหลานชายย้อนเออนะไม่ต้องมาพูดมากข้าใช้อะไรก็ไปทำํทำๆเสียอย่ามัวมาพูดกวนประสาทข้าอยู่เลย ลงนาจะให้ตามมาทำไมล่ะจะใช้อะไรเขาถ้าผมพอทำได้ผมทำให้เองก็ได้บอกมาเลยว่าจะให้ผมทำอะไรค่าไม่ให้ทำอะไรหรอกเพียงแต่จะถามว่าพวกกระต่ายป่ามันพากันหายหน้าหายตาไปไหนหมดข้าไม่เห็นเลยสักตัวเองพอจะรู้บ้างไหมถามทั้งที่รู้ว่าหลานชายตอบไม่ได้ ผมจะไม่รู้ได้ยังไงก็เพิ่งกลับมาด้วยกันโยกๆยกก็เพราะอย่างนี้แหละข้าถึงต้องให้เองไปตามเนนบุญช่วยเพื่อจะถามถ้าเองตอบได้ข้าจะใช้ให้เสียเวลาทำไมสมภารพูดอย่างเป็นต่อสามนเณรจอยจึงต้องไปตามเพื่อนเนนมาที่กุฏิหลวงนากราบท่านเจ้าอาวาสแล้วเนนบุญช่วยจึงถามขึ้นว่า ท่านมีอะไรจะให้กระผมรับใช้หรือครับน้ำเสียงและท่าทีมีพิรุษเพราะรู้ว่าท่านจะถามเรื่องอะไรกระต่ายป่าหายไปไหนหมดพระเจริญถามเสียงห้วนพวกเออพวกชาวบ้านมาจับไปแกงกินหมดครับแล้วเธอไม่ได้บอกพวกเขาหรือว่าฉันสั่งห้ามบอกครับแต่พวกเขาไม่เชื่อ ใครบ้างที่ไม่เชื่อไหนบอกมาสิสมพานถามอย่างเอาเรื่องทั้งนั้นเลยครับผมบอกเขาแรกๆก็เชื่อกันดีอยู่พอดีมีรายหนึ่งไม่เชื่อรายอื่นๆก็เอาอย่างในที่สุดกระต่ายทั้งฝูงก็หมดเพราะถูกจับไปคนละตัวสองตัวตัวสุดท้ายเพิ่งถูกจับไปก่อนหน้าที่ท่านสมพานจะมาถึงได้สักพัก เนนบุญช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่สมพานไม่อยู่คิดว่าอย่างไรเสียความผิดก็คงไม่ตกมาถึงตนหากก็ต้องสะดุง้งเมื่อท่านพูดขึ้นว่ารายที่ไม่เชื่อนั่นชื่ออะไรบอกฉันมาสิคราวนี้เนนวัยสิถึงกับเงือแตกซิกซิกตอบอ้อมแอมว่านายมิ่งที่บ้านอยู่เหนือวัดครับ เนนจ่อยพายเรือไปตามนายมิ่งมาที่นี่หน่อยบอกว่าสมพานมีธุระอยากคุยด้วยท่านหันไปสั่งเนนหลานชายเนนจ่อยกราบหลวงนาสามครั้งแล้วลุกออกไปจัดการตามที่ท่านสั่งพักใหญ่ในายมิ่งก็มาถึงกุฏิเจ้าอาวาสเข้าใจคอไม่ดีคิดว่าต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระต่ายอย่างแน่นอนกราบสมพานแล้วจึงถามขึ้นว่า หลวงพ่อเรียกหาผมทําไมหรือครับเนนบุญช่วยเขารายงานว่าแกมาจับกระต่ายวัดไปแกงกินจริงหรือเปล่าเออจริงครับก็เนนเขาอนุญาตผมแล้วนี่ครับนายมิ่งสารภาพพร้อมกับกล่าวหาเนนบุญช่วยพูดดีๆนะทิตมิ่งข้าอนุญาตแกที่ไหน อย่ามาใส่ความกันนะก็ค้าบอกแกแล้วไงว่าท่านสมภารสั่งไว้แต่แกก็ไม่เชื่อข้าเนนบุญช่วยแก้ตัวน้าขุนๆตอนแรกผมก็เชื่อนะครับหลวงพ่อแต่พ่อผมอ้อนวอนบอกว่าแกงแล้วจะมาถวายท่านถ้วยหนึ่งท่านก็อนุญาตท่านพูดว่างั้นก็แล้วแต่แกเถอะผมก็เลยจับมันไปแกงแล้วก็ได้นามาถวาย ตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาเอาไว้พอคนอื่นๆรู้ก็เอาอย่างผมกระต่ายของสมภารก็เลยหมดวัดนายมิ่งสารภาพอย่างหมดเปลือกสมภารวัดป่ามะม่วงรู้สึกโกรธในการกระทําของนายมิง่งและเนนบุญช่วยท่านกําหนดโกรธหนอโกรธหนออยู่นานเมื่อความโกรธค่อยทุเลาลงจึงพูดขึ้นว่า ข้านึกไม่ถึงเลยจริงๆว่าแกสองคนจะทำกรรมชั่วช้าลามกถึงป่านนี้เขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นก็ไปทำลายล้างผลาญชีวิตเขาเพราะเห็นแก่ปาแก่ท้องเวรกรรมจะต้องตามสนองพวกแกเอาเถอะข้าจะทำนายไว้ว่าพวกแก จะต้องได้รับกรรมทันตาเห็นนี่ข้าไม่ได้แช่งนะมันเป็นกรรมที่พวกแกก่อขึ้นเองเวรกรรมมีจริงที่ไหนกันล่ะหลวงพ่อคนอื่นเขาก็ทำกันมาตั้งเยอะตั้งแยะไม่เห็นจะเป็นอะไรกะอีแค่จับกระต่ายไปแกงกินมันจะบาปอะไรนักหนานายมิ่งพูดโกรธโกรธส่วนเนนบุญช่วย ก้มหน้านิ่งด้วยรู้สึกสำนึกผิดคิดในใจว่าไม่น่าเลยเราสร้างกรรมทำบาปเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องช่างน่าละอายแท้ๆแกจำไว้นะว่าแกพูดอย่างนี้เอาเถอะเมื่อเวนกรรมตามสนองอย่ามาโอดครวนให้ข้าฟังก็แล้วกันจำเอาไว้ลุงพ่ออย่าโมโหกโกรธาไปเลยครับเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ ไม่น่าจะเอามาเป็นอารมณ์เอาไว้วันหลังถ้าผมจับมันได้อีกสักตัวจะแกงมาถวายหลวงพ่อสักถ้วยจะได้หายน้อยอกน้อยใจในายมิ่งคิดว่าที่พระเจริญกโกรธเพราะไม่ได้ฉันแกงกระต่ายนั่นเองนี่แกกับข้าคงจะพูดกันไม่รู้เรื่องเสียแล้วเอาเถอะถ้าแกไม่เชื่อว่าบาปกรรมมีจริงก็เป็นเรื่องของแก เอาไว้เจอกับตัวเองเมื่อไหร่แล้วจะรู้ที่ข้าพูดอย่างนี้เพราะข้าเจอมาแล้วเอาละหมดธุระแล้วก็กลับไปได้มายังไงละ่ะท่านยังมีแก่ใจเป็นห่วงอาศัยเรือนเนนจ่อยมาครับเขาตอบสมภารวัดป่ามะม่วงจึงสั่งเนนบุญช่วยว่าถ้าเช่นนั้นเธอไปส่งเขากลับก็แล้วกัน เนนจ่อยเข้ามาเหนื่อยๆจะได้พักผ่อนบ้างเมื่อส่งนายมิ่งแล้วก็ให้มาหาฉันเรายังมีเรื่องต้องพูดกันอีกเ<ด>มื่อสามเนนบุญช่วยกลับมายังกุติสมพานอีกครั้งท่านเจ้าของกุติส่งน้ำและนุ่งห่มไตรจีวรเรียบร้อยแล้วดูท่านสดชื่นและอารมณ์ดีขึ้นจนเนนวัย17ค่อยเบาใจ กราบท่านสามครั้งแล้วนั่งก้มหน้าอยู่เธอเชื่ออย่างที่นายมิ่งเขาพูดหรือเปล่าที่ว่าเวรกรรมไม่มีจริงน่ะพระเจริญเป็นฝ่ายถามขึ้นก่อนก็เชื่อเหมือนกันครับเพราะผมเห็นคนทำชั่วตั้งมากมายแต่เขาก็ยังอยู่ดีมีสุขคนทำดีซะอีกที่ต้องตกรกรรมลำบากสมเนธตอบตามตรง กินตอบอย่างนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐินะเธออุตส่าห์มาบวชในพระบว ร, บรพุทธศาสนาแต่กลับเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิน่าเสียดายผ้าเหลืองนักสมภารพูดพลางสายหน้าช้าๆอย่าเสียดายเลยครับท่านเดี๋ยวออกพรรษาผมก็ศึกแล้วที่มาบวชเนี่ยเพราะโยมยายจะยกนาให้ถ้าไม่บวชแก่จะไม่ให้ออ นี่เธอรับจ้างมาบวชหรอกหรือฉันนึกว่าเธอบวช ด, ด้วยศรัทธาซิอีกงั้นก็แล้วไปที่เรียกมานี่นึกว่าจะให้เธอแก้กรรมที่ทำไว้กับกระตายในเมื่อเธอไม่ศรัทธาก็เปล่าประโยชน์ที่จะแนะนำงั้นก็กลับไปที่กุฏิเธอได้แล้ว สมนเนจึงกราบท่านเจ้าของกุฏิสามครั้งแล้วลุกออกไปภิกษุวัยส0สิบเศษมองตามพลางสายหน้าท่านรู้และเห็นว่าผู้ที่ทำกรรมไว้กับกระต่ายฝูงนี้จะต้องได้รับผลทันตาเห็นไม่มีผู้ใดจะหนีพ้นไปได้แม้แต่ผู้เดียวทั้งท่านเองก็มิอาจช่วยเขาได้ไม่ว่าจะโดยวิธีใด สามเดือนให้หลังน้ำก็ลดแล้วเหตุการณ์ร้ายต่างๆก็เกิดขึ้นกับบรรดานักนิยมกินเนื้อกระต่ายป่าที่มาหลบภัยอยู่ในวัดเริ่มตั้งแต่นายบุญช่วยเมื่อลาสิกขาออกไปก็ถูกไฟครอกตายขณะนอนหลับอยู่ในมุง้งเพราะไฟที่จุดไว้ใต้ถุนบ้านเพื่อกันยุงให้วัวควายในคอกได้เกิดลุกลามขึ้นกลางดึกคนอื่นๆพากันหนีทันแต่นายบุญช่วย เป็นคนนอนขี้เศราจึงต้องถูกไฟครอกตายอย่างแสนจะทารุณ น, นายมิ่งถูกโจรปล้นและใช้ดาบเชือดคอจนถึงแก่ความตายก่อนสติสัมปชัญญะจะดับวูบลงเขานึกเห็นภาพกระตายตอนที่มันถูกเชือดคอช่างไม่ต่างอะไรกับตัวเขาตอนถูกโจรเชือดแต่กว่าจะรู้ว่าเวรกรรมมีจริง ก็สายเกินแก้ในท้วมอุตสาห่ายน้ำไปแอบขโมยกระต่ายในวัดจับมาได้สองตัวก็กดมันจมน้ำจนขาดใจตายแล้วตัวเขาก็ต้องมาจมน้ำตายขณะทอดแหในหนองน้ำแล้วเกิดเป็นตะคริวฉับพลันช่วยตัวเองไม่ได้นายชม ถูกเมียใช้มีดปลายแหลมแทงตายเพราะทะเลาะกันด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อยนายสีมาเมาเล่าตกกระไดคอหักตายขณะที่เมียกำลังตั้งท้องลูกคนแรกในบรรดานักนิยมกินเนื้อกระต่ายนี้คงมีแต่นายกลมที่ยังไม่ได้รับเคราะห์กรรมกระนั้น เขาก็เปลี่ยนจากอยู่เย็นเป็นสุขมาเป็นอยู่ร้อนนอนทุกข์ด้วยระแวงว่ากรรมจะมาถึงตนในอีกไม่ช้านี้ความกลัวทาให้เขาบากหน้ามาหาสมภา์วัดป่ามะม่วงหลวงพ่อช่วยผมด้วยผมไม่อยากมีอันเป็นไปเหมือนเจ้าพวกนั้นเจ้าพวกไหนแล้วมีอันเป็นไปอย่างไรพระเจริญถามนายกลม จึงเล่าเรื่องขบวนการล่า ก, กระต่ายให้พระฟังพร้อมกับสารภาพว่าตนก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่มาขโมยกระต่ายในวัดไปฆ่ากินข้าช่วยแก่ไม่ได้หรอกใครทำกรรมคนนั้นก็ต้องได้รับผลช่วยกันไม่ได้ท่านปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใหญ่ชายหนุ่มนั่งคอตกในที่สุด จึงถามขึ้นว่าถ้าผมจะมาขอเข้ากรรมฐานสักเจ็ดวันเพื่อแก้กรรมจะได้ไหมครับได้แกมาเข้ากรรมฐานได้แต่จะแก้กรรมได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาจะอโหสิให้หรือไม่ถ้าเขาเอโหสิก็ไม่ต้องไปชดใช้กรรมแต่ถ้าเขาไม่อโหสิ แกก็ต้องมีอันเป็นไปเช่นเดียวกับคนอื่นๆคำตอบของสมภารทำให้ในกลมใจชื้นขึ้นรีบบอกท่านว่าถึงอย่างไรผมก็ไม่มีทางเลือกแล้วที่ทำได้คือจะตั้งใจปฏิบัติให้ดีที่สุดเพื่อจะพ้นจากเวรที่ทำกรรมที่ก่อแต่ถ้ามันมีอันต้องเป็นไปผมก็จะก้มหน้าก้มตารับกรรมครับ เขาพูดอย่างปลงตก